ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยสีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องมัจฉริยสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยเหตุที่ให้ทานไม่ได้ก็คือเรื่องของความเจริทนะฮะมัจฉริยะก็คือเรื่องความสนิทพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเทตวันเหมือนเดิม แล้วก็เทวดาชุดเดิมนั่นแหละที่เราเรียกว่าสะตุลละปากายิกาคือเทวดาที่มีกลุ่มเจ0ดร้อยตนที่เป็นผลมาจากการสมาทานศีลก่อนดับจิตในขณะที่เรือแตกในมหาสมุทร ก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าในสาธุสูตรในสกิลสูตรแล้วก็ในสัพพิสูตรแล้วมาถึงพระสูตรนี้อีกก็เทวดาชุดเดิมอีกเดียถ้าเรามองดูคล้ายๆกับท่านท่านจะสนใจในเรื่องศาสนามากเพราะว่าถ้าเรามองถึงลักษณะของกลุ่มคนดูแล้วก็ไม่คุณ เกีเรื่องศาสนาเพราะจริงๆแล้วถ้าคุณเนี่ยคือศีลมันไม่ต้องถึงสมาทานหราอกอธิษฐานก็ได้แต่ว่าท่านก็ต้องสมาทานเพราะไม่รู้เรื่องอนึกถึงการสมาทานศีลดยไม่มีพื้นฐานมาก่อนเนี่ย ที่ต่างจังหวัดมีครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวที่อยู่ในศีลในธรรมคนแต่ละคนภายในบ้านเนี่ยจะรักษาศีลห้าในการต่อมาลูกสาวก็ได้แต่งงานปรากฏว่าเจ้าบ่าวไม่เคยรู้เรื่องศีลเล ย, เลยพอตาเขาก็อารมณ์ขึ้นแม่ยายก็สนับสนุน บอกว่าให้ลูกเขยเนี่ยไปสมาทานศีลมาเพราะว่ามาอยู่กับผู้มีศีลด้วยกันแล้วก็ตัวเองไม่มีศีลเนี่ยมันจะอยู่ลำบากไอ้ลูกเขยก็ไม่กล้าถามพระตาแม่ยายหรอกเลยก็ไปถามเบียว่าไอ้รับศีล น, นี่เขาทำยังไงเบียก็บอกว่าไปเถอะ เอาดอกไม้ใส่พานไปแล้วประเคนท่านพระท่านว่ายังไงก็ว่าตามท่านปัญญาก็ยอดเหมือนกันคือบอกเนี่ยมันไม่กระจ่างปรสามีก็ไปถึงไปที่กุฏิพระก็เด็ดดอกไม้ใส่ผ่านไป ก็ไปถึงเนี่ยปรากฏว่าแกก็ทำอะไรไม่ถูกเพราะไม่เคยเข้าวัดพระก็บอกว่าประเคนแกก็บอกว่าประเคนแล้วยุ่งพระท่านบอกไม่ใช่เอาดอกไม้นี่มาประเคนแกก็บอกว่าไม่ใช่เอาดอกไม้นี่มาประเคนกว่าจะอธิบายกันตรงนี้รู้เรื่องเนี่ยมันก็เยอะ เสร็จแล้วพระก็บอกว่าอาราธนาศีลแกก็ว่าอาราธนาศีลก็ทําไปก็ทํามาก็พระท่านก็รําคาญเราแกว่าตามตลอดเลยพูดอะไรแกว่าตามตลอดก็ในที่สุดก็คงจะยัว่วพระก็ลุกขึ้นจะทําอะไรเอาไม่รู้แกลงไม้ลง ม, มือแหละแกต่างจังหวัด อ้ น, นี่ก็ลงไม้ลงมือก็ปลุกปล้ำกับพระเป็นการใหญ่แต่เสร็จแล้วก็เลยไม่ต้องรับสีเนาะก็กลับไปบ้านเหย บ, บอกว่าเป็นไงเข่า บ, บอกว่าโอ๊ยกว่าจะรับได้นี่นเหนื่อยเลยเหงื่อออกเลยพระสันแข็งแรงเลยเกินมี่ถามไปถามมาก็ตกใจอะคือต้องนําสามีไปหาพระใหม่ ก็ไปเล่าวความจริงให้ฟังอันนี้คือแสดงว่าแกไม่มีพื้นนั่จริงๆเลยอ่ะแล้วคนเหล่านี้อย่าไปคิดว่าไม่มีมีจริงๆนะต่างจังหวัดบางครั้งนาคที่บวชเนี่ยต้องมาอยู่วัดเป็นเดือนๆแล้วก็ซ้อมกันเป็นเดือนๆไม่ประษีภาษาอะไรเลย อ่านซือก็ไม่ออกว่านโมก็ให้ว่านําไปทีระบททีบททีลบ ท, ท, บทก็พระก็เหนื่อยเพราะงานต่งางจังหวัดบางทีนี่ก็เหนื่อยแต่ว่าปริมาณงานไม่มากกเรวรนี้การสาดีขึ้นก็คงจะลดลงไปปัญหาเหล่าที้วันเทวดาชุดนี้จะเป็นครั้งที่เท่าไหร่เนี่ยบาลีไม่ได้บอกไว้หรอกเพราะว่า คือพระสูตรจะใช้ว่าในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จประทับอยู่ที่ประเทตะวันอันเป็นอารามของอนาฏบินิกาเศรษฐีในเมืองสาวัตชีในคราวนั้นเทวดากลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก็แล้วแต่ท่านจะรายงานแต่ข้อความข้ต้นยมันจะขึ้นไปอย่างนั้นเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ก่อนอยู่หลังเหตุการณ์เหล่านี้อะไรเกิดก่อนเกิดหลังเนี่ยเราจะไม่รู้ พอถ้าใช้คำเนี้ยในสมัยหนึ่งโดยสมัยนั้นครั้งหนึ่งสมัยนั้นแลนะคราวนั้นอะไรแต่ออไรเนี้ยโดยสมัยนั้นแลก็จะข้อความจะจะออกมาลักษณะอย่างนั้นปณิวติวดาเหล่านี้เมื่อเข้าเฝ้าถวายพิว่าพระพุทธมีภาคเจ้าแล้วก็ยืนนที่ควรส่วนครั้งหนึ่งอันี้อันนี้คือสูตรเลยหมายความการเฝ้าปณิวัวดาจะมีลักษณะอย่างนี้ตลอดไม่เคยนั่งแล้วก็ ถวายบังคมเสร็จยืนเสร็จกราบทูลพรูเจ้ารับสั่งตอบเสร็จหายไปเลยอันตรธานไปเลยถวายบังคมแล้วก็หายไปก็เป็นการยืนถวายบังคมมันตรงนี้ก็ได้นะครที่มาท่าเท พ, พนุ่มเป็นลายไทยท่าเท พ, พนุ่มเนี่ยเพราะว่าเทวดาไม่มีการนั่งไม่มีการกราบแต่ว่ายืนถวายบังคมก็ พนมือนะฮ ะ, ะเทพพนมแต่มีข่าวมาจากนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็ดูภาพรูปภาพของเทพพนมแล้วก็น่าจะได้ข่าวมาจากตรงนี้เพราะชื่อมันก็บอกนะเทวดาพนมมือเทวดาตนแรกเนี่ยเดียวกลาวทูลว่าเพราะความเสนีและเพราะความประมาทยอย่างนี้บุคคลจึงให้ทานไม่ได้ บุคคลผู้หวังบุญรู้แจ้งอยู่พึงให้ทานให้ได้ก็เป็นการเตือนปัญหาอุปสรรคในการทำความดีของมนุษย์เนี่ยคือมาสรุปที่ที่ประมาทนะฮะแต่วันในที่นี้เทวดาแสดงสองประเด็นไปแรกคือจหนีที่เราเรียกมัจฉริยะเนี่ยแล้วก็เน้นไปที่ การให้ทานนะครับคือการให้ทานเนี่ยใบยองค์ประกอบก็คือหนึ่งเจตนาในการให้สองสิ่งที่เรานำไปให้หรือนำมาให้ก็แล้วแต่แล้วก็สามบุคคลผู้รับซึ่งในภาคสนามเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายเท่าไหร่หรอก เพราะอะไรเพราะเราต้องรู้สึกดีต่อคนที่เราให้และเราต้องไม่ตรนีในสิ่งที่เราจะให้แล้วก็เจตนาเนี่ยต้องประกอบด้วยเหตุผลคืออัตจะศัทธทาก็ได้อัจจะปัญญาก็ได้อาจจะอนุวัตตามขบธรรมเนียมประเพณีที่เราเรียกว่ายันตามสกุลอะไรก็ได้ แล้วถ้าไม่มีความรู้สึกในทํานองนี้มันก็ให้ยากเพราะงั้นเทวดาก็บอกว่าเพระตณีเนี่ยตณีในที่นี้ก็คือรณีมันก็มีหลายรณีนะฮะเราเรียกว่าลาภมัจิริยะหรือรณีทรัพย์สินเงินทองต่างๆที่เราครอบครองอยู่ เราให้สิ่งเหล่านั้นไม่ได้หรือบางครั้งก็จะหนีที่อยู่เมื่อตอนกลางเดือนธันวาที่แล้วที่พระที่นคร น, นะฮะบวชปีเดียวกันท่านก็โทรมาบอกว่าได้มีการ ยกวัดร้างขึ้นมาเป็นวัดมีภิกษุแต่ปรากฏว่าที่ดินเนี่ยมันถูกบุกรุกผิดกฎองกมหาเจรามาคมว่าที่ดินจะต้องครบปกได้แล้วก็คุยกันว่าาก็ต้องลองติดต่อคนข้างวัดซื้อขยายให้ได้เพราะว่าพระที่เข้ามาอยู่เนี่ยเป็นพระจบปริญญา แล้วก็เสียสละเข้ามาบวชแล้วก็พูดจาชี้แจงเหตุนาสั่งสอนชาวบ้านก็คนเข้าวัดกันมากแล้วก็มีสถานที่ก็สร้างอะไรต่เรียกวก็มีเมนมีอะไรต่างๆก็ทำงานสังคมสงเคราะห์ได้เยอะก็ปรากฏว่าพระโทรมาบอกว่าตอนเนี้ยชาวบ้านเขายอมขายแต่ขู่ด้วย คือที่เนี่ยมันเป็นบ้านนอกที่ดินไร่หนึ่งไม่ถึงแสนหรอกแต่ปรากฏว่าแกหักคอขายนะ่ะสามแสนห้าแล้วยังขู่ด้วยว่าต้องจ่ายเงินในวันจันทร์ที่พระโทรบอกมาตอนเย็นตอนเย็นของวันเสาร์ แร้บอกจะทำยังไงวัดมีเงินหรือเปล่าก็ปรากฏว่ามันมีแต่ว่าเป็นเงินที่เขามีเจตนาทำเรื่องอื่นคือถ้าเราจะจ่ายได้ก็แค่ทดลองจ่ายก็เลยก็พระเขาก็จะช่วยในส่วนตัวเขาแล้วคอยมาช่วยามาก็บอกไปว่าก็ช่วยก็ช่วย แต่รู้สึกว่าแ ก, แกบอกว่าแกแกแกเคยตั้งข้อสังเกตนะฮะลักษณะอย่างเงี้ยคือจะคุณอาจารย์ท่านมอนาภาพไปแล้วท่านสนใจในงานสังคมสงเคราะห์มากโดยเฉพาะการนึกสาของเยาวชนท่านก็พยายามสร้างมูนิชิขึ้นมาเป็นรูปศึกษาสงเคราะห์อโยชนเด็กยากจนเข้ามาเรียนโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนแต่เราก็ต้องมีที่เรียนนะ ปรากฏว่าไปติดต่อซื้อที่ดินซึ่งมันที่ดินตาบอดไม่มีทางออกปรากฏว่ามันชาร์จขึ้นไปตั้งหลายเท่าตัวของราคาจริงแล้วพอซื้อทางเข้าเพื่อจะให้เด็กเข้าไปเรียนไอ้เจ้าของก็ทารุนจังเลยเรียกเงินไม่รู้สักกี่เท่านะขึ้นไป อาจารย์ท่านก็ใจเด็ดเอาหมดทั้งสองเรื่องแต่พระท่านก็บอกมาบอกว่าเป็นเรื่องแปลกไม่มีใครได้จ่ายเงินสักคนหนึ่งเจ้าของที่ดินพอขายที่ดินเสร็จแล้วก็ป่วยตายไปสามรายนะฮะตายไปสามรายเลยแล้วคนที่ขายที่ขายขายทางข้าวเนะี่ย มันกด ร, ราคาแพงมากปรกากฏว่าขายที่เสร็จก็เป็นอพมลนอพลพิชมาสิบกว่าปีแล้วเป็นมาพลาดมาสิบกว่าปีทําอะไรไม่ได้แล้วแกก็พูดว่าคนเหล่านี้ยมันเป็นบาปหรือไปไอ้กด ร, ราคาอย่างงั้นก็ที่จริงก็เงินที่มันเกิดด้วยพลังศรัทธานะมันเกิดกดเกิดเหตุไปอันนี้เ พ, พราะอะไรเพราะเสนี แล้วก็ประมาทในบุญญักริยาทั้งหลายคือมันที่ดินเนี่ยไอ้ตัวเองก็เไม่ใช้สอยประโยชน์อะไรนะฮะกระที่ดินก็รกร้างว่างเปล่าอย่างนั้นนี่ยมันขึ้นไปราคาขึ้นไปนเลยแล้วก็ตกงก็ตงให้ซื้อไปนะฮะให้ซื้อไปบอกคนแก้ไขปัญหาที่หลังก็ซื้อไปก่อนเถอะเพราะว่า มันมีวิธีที่ช่อฉนนะฮะคือจะมีคนอีกคนหนึ่งบอกว่าถ้าเขาไม่จ่ายเงินวันจันทร์เนี่ยเขาจะซื้อเองแล้วก็เพิ่มราคาด้วยก็ที่จริงแล้วก็ดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าที่อย่างนั้นไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเพราะมันติดอกับวาดด้วยแล้วก็ที่น้อยด้วยนะฮะก็รายครึ่งเรียกไปสามแสนห้าแต่พูดถึง ในที่จะเินมันก็ถูกนะฮะแต่ว่าที่ไม่จะเรินนี่ถือว่าแพงมากที่ดินตรงนี้นี่เราเห็นชัดเลยแล้วพระท่านก็บอกว่าได้เงินไปแล้วก็ไม่น่าจะจ่ายได้ก็บอกว่าอย่าไปแช่งเขาก็ปล่อยเขาไปเราก็มีหน้าที่จะซื้อก็ซื้อเพื่อให้วัดมันเกิดได้สมบูรณ์แล้วก็เป็นที่พึ่งของประชาชน เดียกตัวอย่างมาเนี่ยยกตัวอย่างให้เห็นวันเนี้ยปัญหาตัวนี้มันก็อยู่ที่ธานีแล้วก็จะนีที่ธนีที่อยู่ของตัวเองตัวเองไม่ใช้สอยแต่ไม่คนไม่ยอมเป็นคนอื่นใช้สอยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแผ่นดินเนี่เป็นทรัพย์สมบัติของมนุษยชาติมันไม่มีใครเป็นเจ้าของจริงหรอกเจ้าของเนี่ยมันตายไปเยอะแล้วตายทับถุนบนแผ่นดินเยอะแล้ว เด็กคนจะไม่คิดในเรื่องเหล่านี้เพรวะงั้นถ้าหากว่าต้องการให้ทานนนั้ได้เทวุเตวาก็บอกว่าบุคคลจึงให้ทานไม่ได้บุคคลผู้หวังบุญคำว่าบุญเนี่ยคือสิ่งที่ขัดเกลาจิตเจตนาที่บังเกิดขึ้นภายในจิตทําหน้าที่ชําระล้างกิเลสจะชื่ออะไรก็ตามให้จางไปคลายไปมากน้อยก็ตามก็ถือว่าเป็นบุญ แต่ว่าเราดูที่ผลนะฮะคือผลต้องมีเกิดเป็นความสุขถ้าไม่เกิดความสุขก็มีปัญหาละคือในเจตนานะั้นมีปัญหาแสดงว่าไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นบุญจริงเพราะถ้าบุญผลจะต้องออกมาเป็นความสุขล้วปกติแล้วเราจะพูดในเชิงผลพระเจ้าทรงแสดงว่ากวพริสูต์ทางหลายคำว่าบุญบุญนี้เป็นชื่อของความสุข เธอทั้งหลายจะได้กลัวบุญเลยเพราะว่าคำประบุญบุญนี้เป็นชื่อของความสุขนั่นเองเราทุกข์เพราะกิเลสมันมากอ่ะทีนี้ถ้ากิเลสมันลดเราก็เป็นสุขท่นั่นเองทานก็เป็นหนึ่งในที่นี้ท่านเน้นที่ตัววัตถุทานนะฮะเน้นที่ตัววัตถุทานเพราะว่าอย่าที่บอกว่าเทวดาเหล่านี้ประสบการณ์ของชาติก่อนเนี่ยก็คงไม่มีความรอบรู้ในเรื่องบุญอะไรทอะไร เพราะว่าท่านก็พบอุบาสกที่เป็นอาจารย์ในขณะที่เรือกาลังจะแตกแต่ว่าที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเทวดาเขาระลึกชาติได้ก็จะระลึกถึงผลมาจากชาติก่อนๆเพราะว่าการครบหาสมาคมกับสัตว์บุรุษนี่เราก็ชัดเจนว่าเชื่อมโยงกับตัวเองกับอาจารย์ทีนี้การให้ทานในที่จริงท่านไม่ได้ให้เพราะท่านสมาทานศีล ก็แสดงว่าเป็นประสบการณ์จากชาติก่อนๆที่มาก็ตุ้นเตือนให้ท่านไปบัตรภารกิจตรงนี้คืออยากจะเห็นคนมีความสุขบนสูงสวรรค์อย่างน้อยเช่นเดียวกับท่านน่ะก็ดีกว่าเป็นทุกข์อยู่ในโลกมนุษย์พราจรยังบอกว่าผู้หวังบุญรู้แจ้ง ต้องรู้ว่าบุญเนี่ยคือเป็นสมบัติจริงๆคือสมบัติที่ติดตัวแต่ละอย่างมันเป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์ที่ตกแต่งภบชาติได้ประณีตเสริมสร้างคุณสมบัติจิตของเราให้มีความสะอาดขึ้นแล้วก็ไม่ใช่สะอาดเฉพาะโลภะหรือว่าโทสะแต่มันก็สะอาดลงไปทั้งโลภะโทสะโมหะ เป็นจุดเริ่มต้นที่จะก้าวต่อไปสู่ความประณีตมากยิ่งยิ่งขึ้นตอนบางครั้งบางคราวก็เป็นการแยกเดี่ยวนะผู้เรื่องทานอย่างทักกินาวิพังกสูตรส่งผู้เรื่องทานล้วนแต่ว่าทานมันเริ่มได้ผู้รับที่ประนีตขึ้นเจตนาประณีตตามทานก็มีผลเมเนสงสูงตามไปเป็นสิบสระดับต่อกัน จากการเทน้ำลงไปให้สัตว์เดไราฉานซึ่งอยู่ในน้ำแห้งที่กำลังจะตายเนี่ยรอดจากชีวิตก็ถือว่าเป็นบุญแล้วแล้วก็ยกระดับขึ้นไปเรื่อยมันจะต้องจะต้องศึกษาจะต้องทำความเข้าใจเพราะว่าผลประจักษ์เนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวคน กัาตหลักธรรมคุณที่เราสวดนะ่ะสันติโกกับปั จ, จตังบิดุตบุญโยหแต่จิตจะชำระล้างกิเลสได้มากได้น้อยความสุขเกิดมากเกิดน้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรารู้ของเราคนเดียวคนอื่นไม่สามารถจะไปวินิจฉัยตัดสินหรือวัดปริมาณของบุญอะไรให้เราได้เพราะงั้นท่านจอมบอกว่าให้มีความรู้แจ้ง ทีนี้การรู้แจ้งมันก็ต้องรู้สองเรื่องนะฮะหนึ่งโทษของความเจริญเฉพาะกรณีนี้ต้องรู้สองเรื่องคือโทษของความเจริญแล้วก็อนิสงค์คือผลดีงามที่เกิดขึ้นจากจิตที่ไม่สจริญในขณะเดียวกันต้องรู้โทษของความประมาทแล้วก็มองเห็นคุตค่าของความไม่ประมาทความประมาทเป็นธรรมะสรุป คือครั้งสุดท้ายในพระเจ้าสรงสรุปไว้ด้วยข้อความสั้นๆที่ว่าอัปิมาเดนะสัมปะดิาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้สมบูรณ์คือหมายความมาให้ทุกคนทุกชีวิตเนี่ยครองชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็หมายความว่ามีสติกำกับในการทำในการพูดในการคิด แต่ว่าในภาคของการใบัตรก็อย่างที่บอกนะว่ามันต้องมีสติสัมปชัญญะความเพียรโดยมีฐานคือความเชื่อเนี่ยมันเป็นฐานเชื่อมั่นเนี่ยมันเป็นฐานแล้วก็ถ้าเราอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะความเพียรตัวสมาธิคือจิตแน่วแน่เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น เลสุดมันก็กลายเป็นอินทรีย์าที่สมบูรณ์คือทั้งศรัทธาทั้งวิริยะทั้งสติทั้งสมาธิแล้วก็ทั้งปัญญาความไม่ประมาทความประมาทรู้เจ้าสรุปว่าเป็นทางแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย เราอาจจะเรียกว่าเป็นอมตะธรรมนะฮะเพราะว่าคนที่ไม่ประมาทจริงๆเนี่ยมีได้เฉพาะที่เป็นพระยาบุคลก็คือระดับพระหันทะนั้นเพราะว่าเป็นความสมบูรณ์ของสติที่เรียกว่าสติวิปุโลคือสติภัยบูรณ์การที่สติจะภัยบูรณ์ได้เนี่ยมันก็ต้อง หมดกิเลแลตากิเลสตึงอยู่มันก็ไปบุญไม่ได้แต่ว่าอันนั้นมันเป็นระดับอุดมการมันไกลบางทีก็ไกลเกินที่จะฝันประเด็นสำคัญว่าทำยังไงในการครองชีวิตเนี่ยอย่าประมาทในวัยในชีวิตและในความไม่มีโรคก็อย่างที่เคยเล่านะฮะว่า มาเองเนี่ยก็เฉียดตายไปหลายครั้งอย่างนึนกว่าเออเมื่อไรเราก็ไม่รู้ตอนที่หัวใจกำเริบมันก็หมอบอกว่าสิบเก้สบแต่คราวหนึ่งก็เกิดแพ้ยาการท้องน้ำน้ำตาลขึ้นไปรูปห้าร้อก็ช็อกไปเลย อนนี้คือคือเราก็นึกว่าออมันก็ตายเมื่อไรก็ไม่รู้เพราะในความไม่มีโรคก็ประมาทไม่ได้ในชีวิตยิ่งแล้วใหญ่เลยแล้วก็ในวัยอย่าไปคิดว่าเรายัางหนุ่มยังสาวจะอยางไม่ตายก่อนอะไรเนี่ยคือประมาทอะไรไม่ได้ แล้วข่าวคราวต่างๆที่เราได้รับรู้กันเนี่ยแสดงให้เห็นว่าคนตายมันฉี่ยิบเรืเกิๆสี่ยิบจนน่ากลัวพอเราเอาสติติโลกมาดูแล้วก็น่ากลัวมากแต่นั้นคือความจริงกลัวมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกแต่ว่าจะช่วยกระตุ้นเตือนอย่าให้ประมาทคือตายนะตายแน่แต่ว่าให้ตายตามปกติธรรมดาอย่าตายเพราะ ความประมาทของเราเองหมายความว่าเราเป็นศัตรูของเราเองแต่ความไม่ประมาทอีกประการหนึ่งที่ต้องใช้มากในดับสินธรรมจัญญาเนี่ยคือไม่ประมาทในการละทุจริตในการประพฤติสุจริตทางกายท้งวา จ, จาทางใจบางก็คือกุศลกบฏกุศลกบฏแต่อย่างที่บอกนะฮะว่ามันเป็นทางที่ ศูนย์กันหมายความไม่มันมันขนานกันแต่ไม่มีโอกาสมันจบกันถ้าเราไปทางกุศลกบบเราก็ไม่ได้ไปทางอกุศลกับบุอยู่แล้วในขณนะ น, นั้นแหละหมายความว่าในขณะที่เราทำความดีนั่นแหละเราก็ไม่ทำความชั่วยอยู่แล้วเพราะหลักการที่ง่ายที่สุดก็คือเดินไปบนวิธีของกุศลกบบ เป็นเส้นทางเป็นเส้นทางการดำเนินชีวิตของคนผู้ฉลาดแล้วก็ดำเนินไปอย่างฉลาดทฤษทีทรงแสดงนะทรงแสดงในลักษณะของศีลคล้ายๆกันศีลนะฮะคือมันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นภาราใช้คำว่างดเวน้นงดเว้นจากปานาธิบาตกดเว้นจากอธินาทานกดเว้นจากการมีสมิชาจาร์กดเว้นจากการพูเทเธตพูดสเศสพุกัมยาพูดเหลวหล ท่านฟังจะสังเกตเหรนี้เจอบ่อยอ้าวมันก็บ่อยเพระชีวิตเราแต่ละวันมันก็ปนเปอยู่กับเรื่องเหล่านี้ว่าวันนี้เราไปทุจริชีวิตใครไหมรู้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินคนอื่นไหมรู้ละเมิดคู่ครองคนอื่นไหมโกหกไหมยุยงให้เกิดความแตกแยกไหมกล่าวคําหยาบไหมเพ่อเจอเลื่ยๆ ไ, ไหมแต่ที่จริงมันก็อยู่ตรงนี้ถ้าไม่มันก็คือเราอยู่ในกุศลกบฏ ก็แสดงว่าเราเคารพสิทธิในเสรีภาพของการอะรกันไม่ลงละเมิดสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองของการอะรกันปู้จาก็เป็นคําสัตย์คาจริงส่งเสริมสมามัคคีภาษาสาสมัคคีกระชับสามัคคีมีความไพเราะอ่อนหวานแล้วก็ได้สาระประโยชน์ซึ่งถ้าทําได้อย่างนั้นต่อเนื่องก็แสดงว่าจิตมันสงบจากกิเลสประเภทโลภะ กิเลสประเภทโทสะกิเลสประเภทโมหะจะน้อยก็ระดับที่ไม่ถึงกับโลภอยากได้ของคนอื่นไม่ถึงกับอาฆาตพยาบาทบุคคลอื่นแล้วก็เห็นชอบตามธรรมนองคองามธรรมมีปัญญาเป็นตัวกากับในการดำเนินชีวิตที่ประการต่อไปเนี่ยจะยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องแต่ละขนาจิต เป็นการระบัดระวังจิตคือมีสติในการกำกับควบคุมจิตเราก็ทบอารมณ์ธรรมดาอาจจะ ก, การะตุ้นจากข้างนอกอาจจะเหนียวนึกมาจากข้างในถ้ากระตุต้นจากข้างนอกเราก็ใช้หลักสังวรคืออินทรีย์สังวรทาใจแม้เกิดความยินดียินร้ายกับอารมณ์ลดน้นมากเกิดไป เพราะถ้ายินดียินร้ายเนี่ยมันจะเกิดทุจริตทางกายทางวาจาแน่นอนถ้ายินร้ายนะฮะแต่เกิดทุจริตทางวาจาแน่นอนแต่ถ้ายินดีดแล้วมันนําไปสู่โลภะมันก็เกิดทุจริตทางวาจาทางกายทางวาจาเหมือนกั น, นแล้วก็ความเห็นชอบอยู่ในทํามนองครองธรรมแล้วที่จริงแล้วเนี่ยมันเหมือนเหมือน ก, การบ ร, ริหารตัวบริหานกฎบริหารงานเนี่ยนะ คือเราพูดไปอย่างนั้นแหละเวลานี้เราพูดธรรมรัตเราพูดธรรมาภิบาลนักวิชาการในสับเยอะจังเลยแล้วไม่เคยขยายความว่ายังไงเรียกว่าธรรมารัตยังไรเรียกว่าธรรมาภิบาลแล้วพูดไปจนงงฮนะแม้แต่ว่าบุญการเองก็พูดไปจนงงเลยนี่หมายความว่ายังไงดังนั้นเวลา พูดสับแสงเหล่านี้ที่จริงมันต้องอธิบายเพราะไม่งั้นมันมันไม่เข้าใจอ่ะการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาเนี่ยต้องพยายามนิยามให้มันชัดเจนอย่าให้คนฟังก็เกิดความสับสนคำวันนี้เป็นคำใหม่นะฮะเป็นคำใหม่หรือแม้แต่คำอะไรผลประโยชน์ทับซ้อนทุจริตเชิงนโยบายอย่างเ ง, งี้ยงงไม่รู้เรื่องเลยถามว่า จริงๆเนี่ยทำยังไงอย่าให้เกิดทุจริตเชิงนโยบายอย่างที่คุณว่าหรือผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างที่คุณว่าเนี่ยแล้วในบางการณีเนี่ยไม่มีมนุษย์ไหนทำได้เพราะเป็นคำที่เธอกล่าวหาเขาอะเช่นสมมติว่ารัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งมันนโยบายจะตัดถนน แล้วก็ลากเส้นถนนก็ตัดถนนไปปรากฏว่าบนเส้นทางสายนั้นแหละมันยาวหลายร้อยกิโลหลายสิบกิโลไปเจอบ้านบ้านเพื่อนของเพื่อนหรือญาติของญาติหรือญาติของคนใดคนหนึ่งในคณะรัฐบาลอา้าวทุจริตเชิงนโยบายละก็อย่างนี้ก็ตายเลิกพูดเลย หรือว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเห็นไหมมันก็คือผลประโยชน์ทับซ้อนน่ก็ทำให้ที่ดินตรงนั้นแผงเค็งญาติพี่น้องเราคนหนึ่งได้แต่ว่าถ้าเราเอาประเด็นนี้มาจับเนี่ยมันไม่มีใครทำได้เพราะในสังคมเนี่ยญาติพี่น้องเยอะเพื่อนเยอะคนรู้จักเยอะเราไปรู้ได้ไง แล้วเราก็ไปไปเว้นไม่ได้ด้วยนะมันเป็นเป็นเป็นการเป็นเป็นกระบวนการทำงานที่มันผ่านคณะทำงานไม่รู้สักเท่าไหร่ต่เท่าไหร่ไม่นึกว่าจะลากเลี้ยวไปเลี้ยวมาได้ดังนั้นตรงเนี้ยปัญหามันอยู่ที่สมาธิคือต้องเห็นชอบตามํานองคลองธรรมต้องยอมรับกฎ าความจริงแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่แต่คุณจะให้ทำยังไงหรือบางครั้งก็อาจจะไปเจอที่ดินของครอบครัวรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเข้ามันไม่มีใครไปไปไปกำหนดอะไรได้ขนาดนั้นก็เจอก็เจอนะฮะเขาก็เป็นราษฎรอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราตัด ถนนเองเพราะจริงมันมันมันเป็นเรื่องของนโยบายขององค์รวมของความเป็นรัฐแล้วมันก็ต่อกันหลายรัฐบาลด้วยนะฮะว่ากันตามความจริงทีนี้การระวังจิตเนี่ยจิตที่มันมีปัญหาก็คือจิตที่ถูกกระตุ้นให้เกิดโลภะให้เกิดราคะตลอดถึงพวกวิหิงสาคือเบียดเบียนริษยาอะไรต่างๆจิตที่ถูกกระตุ้นให้เกิดโทสะ จิตที่ถูกกระตุ้นให้เกิดโมหะก็ทรงสอนในระวังจิตอย่าให้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอย่าให้ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งของความขัดเคืองคือหมายความว่าถ้าเราสติเราไม่ดีพอสติสัมยาเราไม่ดีพอเราก็อาจจะเกิดกำหนัดตามที่เขาต้องการให้เรากำหนัด กัดเคืองตามที่เขาต้องการเรากัดเคืองล้มหลงตามที่เขาต้องการเราล้มลงและประมาท ต, ตามที่เขาต้องการให้ประมาทอะไรเพราะว่าสื่อที่เรารับในปัจจุบันให้มองเถอะที่จริงเป็นกลุ่มผลประโยชน์คุ่มสื่อเอาไว้ผลสื่อนั้นก็คือตั้งคําถามว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการสื่อสารซึ่งมันไม่เหมือนกับการเทศ อย่างพระเทศ็นหลักการสำคัญว่าผู้ฟังได้รับประโยชน์อะไรจากการเทศไม่ได้คิดว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรโดยหลักการนะฮะแต่ว่าคนบางคนก็อาจจะคิดแต่ว่าโดยหลักการจริงๆแล้วพระต้องอยู่หลักตรงนี้อย่าไปคิดเราจะได้ประโยชน์อะไรเราปฏิบัติหน้าที่ของภิกษุในพระพุทธศาสนาพอแล้ว เมื่อในจิตที่กำหนัดขัดเคืองรูปหลงมู่เมาเนี่ยมันต้องใช้สติกำกับสติตลอดเวลาและลึกรู้ตลอดแล้วอาจจะเริ่มด้วยไม่กำหนัดก็ได้แต่อาจจะนำไปสู่ความกำหนัดมันก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงอาจจะไม่เริ่มที่ขัดเคืองก็ได้แต่มีโอกาสจะนำไปสู่ความขัดเคืองก็หลีกเลี่ยงเสียตรงนี้ค่อนข้างยากแต่ว่า การอยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นคุณค่าแท้ของชีวิตแต่ส่วนอย่างอื่นมันก็เป็นสิ่งชั่วครั้งชั่วคราวแต่อย่าลืมว่าออถ้าจิตมันอยู่ได้นขนาดนี้มันก็ชำระล้างอะไรไปเยอะปุบบ่าโพกุศลก็จางคลายไปจากจิตเยอะเทวดาตนต่อไป ก็บอกว่าคนตะหนีกลัวภัยใดย่อมให้ทานไม่ได้ภัยนั้นนั่นแหละย่อมมีแก่คนจะนีผู้ไม่ให้ทานคนจะหนีย่อมกลัวความหิวและความกระหายใดความหิวและความกระหายนั้นย่อมถูกต้องคนจะนีนั้นนั่นแหละผู้เป็นผ่านทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเช่นั้นก็หมายความว่า คนที่ไม่ให้ทานเนี่ยกลัวจนบ้างกลัวจะถูกต้มบ้างกลัวจะถูกหลอกลวงบ้างอะไรต่างๆกับสารพัดคือกลัวไปแล้วนสุดก็ปิดกั้นตัวเองเอาไว้เตวดาท่านท่านก็บอกว่าคนตนีกลัวภัยใดก็ไม่รู้อะไรบ้างก็แล้วแต่ที่เขากลัวแล้วก็ไม่ให้ทาน โดยเฉพาะยิย่งคือกลัวความสิ้นเปลือ ง, งคนบางคนพระจรนีแรงๆเนี่ยคือแม้แต่นั้นยาหยาตาเขาก็ถือว่าเป็นราคาแพงแล้วนำยาหยอตาหยุดหนึ่งเนี่ยก็ไม่ยอมเสียละพ ร, ระเจริญพม่าสำนวนในสมัยโบราณก็ใช้คำย่งังไงว่าเห็นความสำคัญของทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยเนี่ยอย่าให้มันมันหายไป มันเหมือนกับยาหยอดตาจึงหยดเดียวที่มันหายไปนี่เป็นความเสียหายคนจะนีเขาคิดอย่างนั้นนะพรนเทวดานี้ก็ถ้าเราดูความคิดคราวนีเขาเข้าเขาเขา้เขาถึงเขาถึงสภ า, ภาพทางจิตของสัตว์ะวะโลกแต่อย่าลืมว่ามันเน้นที่ตัวปัจเจ้าชนแต่ละคนไม่ใช่คนทุกคนเป็นอย่างนั้น แต่ว่าคนเป็นนันมากที่เป็นอย่างนั้นคนจะหนีกลัวภยัยใดย่อมให้ทานไม่ได้ภัยนั้นนั้นแลย่อมมีแก่คนจะนีผู้ไม่ให้ทานอาจจะกลัวว่าตัวเองจะหิวตัวเองจะขาดแคลนตัวเองจะเดือดร้อนในวันหลัง เงินที่จะใช้จ่ายปลายเดือนจะมีไม่พอ้ก็แล้ ว, แ, ลวแต่จะคิดนะก็คิดไปได้เรื่อยๆแล้วก็อยู่ตัวเองเอาไว้ตอนวิธีคิดเนี่ยเราจะเราจะพบว่ายัางอ่าพรามจุเลกสาโดกิคิดเนี่ยคือแกมีผ้านุ่งผ้านุ่งเนี่ยคนละผืนกับพันยาแต่มีพ้าห่มผืนเดียวกัน ผลตะพัญญาออกนอกบ้านตัวเองก็ไม่ได้ออกตัวเองออกพัญญาก็ไม่ได้ออกพอถึงบทจะฟังเทพมันก็เพียงกันไปฟังขึ้นเนินตัวเองไปฟังคือสถาลื้มใสามากอยากจะถวายทานบูชาพระพุทธเจ้าแต่ไม่มีอะไรเลยในเนื้อในตัวเนี่ยนอกจากผ้าห่มมันก็กลัวพัญญาจะเสียใจพัญญาจะเดือดร้อนพัญญาจะอยู่ลําบาก เราก็คิดหม่ยไอการที่เราเกิดมาจนเนี่ยเพราะเราไม่ให้ทานในชาติพพก่อนผลทานจึงไม่อำงวยให้เรามีฐานะ้พนพัญญาจะคิดยังไงก็ช่างเราต้องให้ทานพอท่านตัดสินใจเชียงกันไปเถียงกันมาภายในจิตนะให้ดีไม่ให้ดีให้ดีไม่ให้ดี ปฐมมยามผ่านไปมัชิมยามผ่านไปจนถึงปัตติมยามตอนใกล้รุ่งนะพระเทศรุ่งนะฮะสมัยโบราณเนี่ยเชลยท่านก็ตัดสินใจเรื่องภาค่มตัวเองพับถวายพระพุทธเจ้าประกาศชิตังเมชิตังเมรชนะแล้วราชนะแล้วพอดีพระเจ้าประเสริฐนกศลไปราชการทัพมาแล้วก็ ไม่ได้เข้าเมืองนะฮะคือมาควอบพระพุทธเจ้าประวัติกลับมากลางคืน ร, รู้พระเจ้าเทศก็มาฟังเทศพอได้ยินเช่นนั้นตัวเองชนะศึกมาเนี่ยเลยก็ไม่พอพระไตรก็เรียกมาสอบถามู่เลกาสาโดก็เล่าให้ฟังท่านก็ให้รางวัลนะฮะอย่างละแปดอย่างละแปดอย่างเจวัาทาสีแปดคนทาดแปดคน ทรัพย์ท่านั้นแปดปดอ่ะจะตลอดถึงบ้านสวยแปดบ้านสวยรวยแล้วทีนี้สบายแล้วเพื่อจะส่งแสดงว่าไอจิตที่เกิดเขาเรียกว่าเกิดศรัทธาทิจารเจตนาที่เกิดขึ้นเพื่อจะบริจาคเนี่ยพอเกิดเราต้องรีบทำถ้าทําช้าเนี่ยมันจะเสื่อมจากสิ่งที่เราจะได้เพิ่นถ้าหากว่า จุเลกสาโดแกให้ทานในปฐมยามเนี่ยจะได้อย่างละสามสิบสองหมู่บ้านสามสิสองหมู่บ้านถาดสามสิสองคนและตระเล่างต่างเนี่ยสามอย่างละสามสบสองแต่ให้ไม่ได้เอาให้มัชฌิมยามจะได้อย่างละสิบหกก็ไม่ได้เพผลที่จะได้เลยลดเป็นครึ่งครึ่งครึ่งก็เลยเหลือแปดอย่างละแปดไม่ได้คิดเฉพาะปัจจุบัน แต่ว่าคิดว่าผลพวงเหล่านี้ที่ทําให้เกิดมายากจนแล้วก็ทธรรมงกิดไม่ขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากการไม่ให้ทานมาไหนชาติก่อนภพก่อนเลยไม่กลัวแหละไม่กลัวหนาวล่ะไม่กลัวการไม่ได้ออกจากบ้านของตนเองกับพัญญาตัดสินใจเลยเรียกว่าอุปสรรคหนึ่งขัดขวางไม่ได้ แต่แน่นอนว่าเรื่องไม่ได้บอกนะเพราะว่าสามีกลับไปด้วยทรัพย์สมบัติที่ได้รับพระราชทานรางวัลมหาศาลมากๆสำหรับครอบครัวที่ยากจนเนี่ยพัญญาจึงไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรในทางลบแต่ก็ที่จริงก็เป็นเรื่องน่าคิดนะฮะว่าสมมติว่าเรื่องนี้เกิดช้าและตัวเองกลับบ้านเนี่ยพัญญามีท่าทียังไง แล้วก็ทำให้เรานึกถึงเรื่องเรื่องทัดปุณณธาตุนะทัดปุณณะเศษฐีเนี่ยพันยาอวาหารที่สะเสียมมาเพื่อให้ท่านรับประทานในนานะฮะไปไถ น, นาครั้งแรกก็ไปตักบาตรประสาริบุตรเจ้าเต้องกับหมูเข้าใหมา่เก๊กเก๊หิวนะฮะรอไม่ไหวก็นอนหลับไปเลย ปัญญาก็รีบมาพอสามีลุกขึ้นตื่นมาตะโกนบอกเด็กไลนะทำใจสบายนะอย่ากโกรธนะทำใจสบายจจเย็นๆนะเย็นๆน ะ, ะเรานะก็ตะโกนบอกไปเลยปุณณธาตดีใจเพราะว่าตัวเองก็ได้ถวายไม้ชำระฝันแก่พระสารีบุตรผลบุญก็เกิดในะวันนั้นเลย แต่ดินที่แกไถไว้เขาเรียกว่าแปดกระดิษนะฮะตาไไรก็ไม่รู้ตัวดินเนี่ยมันกลายเป็นทองคำแล้วก็ทำให้ท่านกลายเป็นหมาเศรษฐีก็เป็นพ่อของนางอุตรานะฮะที่เคยเล่ามานี่ก็แสดงให้เห็นนึงว่าเจ้าค้าเจตนาคือกุศลเจตนาทั้งหลายพูงง่ายว่าอะไรก็ได้ กุศลเจตนาต่างๆที่เกิดขึ้นว่าจะกระทำต้องรีบทำว่าจะพูดต้องรีบพูดถ้าไม่งั้นใจกิเลสมันจะขึ้นแทรกและเราจะทำไม่ได้เราจะพูดไม่ได้เราจะให้ไม่ได้และถ้าเราลองทำเป็นตัวเลขนะฮะทำเป็นตัวเลขเอาไว้จดไว้ทุกคราวที่เกิดการชักกระเยอะกันภายในยจิตและจะเห็นว่าที่เรบแพ้นี่เยอะมาก ตั้งใจจะทําแล้วทําไม่ได้ตั้งใจจะพูดแล้วก็พูดไม่ได้ตั้งใจจะให้แล้วก็ให้ไม่ได้ตั้งใจจะบริจาคบริจาคไม่ได้อย่างรายการที่เชิญร่วมบริจาคทางสื่อสื่อโทรทัศน์นะฮะคือพอเห็นแล้วก็มีความคิดที่จะร่วมบริจาคแต่ว่าโอกาสเนี่ยมันจะมีน้อย เพราะปัญหาสำคัญว่าบางทีมันมีศรัทธาแต่ไม่มีทรัพย์บางทีมีทรัพย์แต่ไม่มีศรัทธามันต้องมีทั้งศรัทธาทั้งทรัพย์แล้วจึงจะให้ได้แต่บางครั้งก็ไม่แน่นะฮะมีทั้งสองอย่างแต่เกิดสนิมนไปขวางไว้มันก็ให้ไม่ได้เหมือนกันพรเทวดาท่านจึงเน้นว่าคนตนีกลัวย่อมกลัวความหิวและความกระหายใดความหิวและความกระหายนั้น ย่อมตกต้องผู้สนีนั้นแลคือหมายความว่าตัวอุปสรรคเนี่ยมันจะตามไปเช่นเธอกลัวความหิวตัวตัวกลัวความกระหายที่จะเกิดขึ้นตัวเองเลยไม่ยอมให้ทานและไอตัวอุปสรรคเนี่ยมันมันเมื่อขัดขวางเราได้ในชาตินี้ต่อไปมันก็ตามมาขัดขวางเราคือทําให้เราอยู่ด้วยความหิวและความกระหายเกี่ยวหมายความว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นเปรตนะฮะ เป็นเปรตที่ถูกความหิวความกระหายเสียแทงหิวโหยอยู่ตลอดระยะเวลานี่ก็เป็นเทวดาที่กราบทูลต่อพระพักพระพุทธเจ้าจากประสบการณ์ตรงของท่านแล้วก็บอกว่าไอ้ตัวเราเนี่ยโย่านยกตัวอย่างความหิวความกระหายเนี่ยมันจะตามคนผ่านไปทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้